แต่เป็นเด็กมาแล้วนะคะเคยได้ฟังเรื่องผีจากผู้ใหญ่ที่บอกว่าผีที่เจ็บไข้ได้ป่วยตายธรรมดาหรือว่าตายธรรมชาตินี่จะไม่ดุร้ายเหมือนกับผีตายโหงเช่นโดนฆ่าตายหรือว่าฆ่าตัวตายโดนรถชนตายตกน้ำตายรวมทั้งตายด้วยอุบัติเหตุสยองต่างๆไม่ว่าไฟไหม้ตกต้นไม้ล้วนแต่ทาให้เกิดผีหลอกวิญญาณหลอนทั้งนั้นนะคะ วิญญาณตายหงก็อย่างที่รู้ๆกันนั่นแหละค่ะ ว, ว่าไม่ใช่ตายด้วยความแก่เท่าสังขารสุดทรมไปตามอายุขยหรือว่าตายเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยใดๆโดยเฉพาะคนที่อยู่บ้านใกล้ๆทางรถไฟมักจะเชื่ออย่างฝังหัวค่ะว่าไม่มีผีตายหงชนิดไหนจะเฮี้ยนสุดขีดเท่ากับผีที่โดนรถไฟทับตาย เคยได้ยินคนเล่าให้ฟังค่ะว่าเรื่องแปลกสุดบรรยายเกี่ยวกับกรณีอุบัติเหตุคนถูกรถไฟชนมักจะคล้ายคล้กันนั่นก็คือข้อสงสัยที่ว่าทำไมคนชะตาขาดทั้งหลายเหล่านั้นจึงไม่ได้ยินเสียงรถไฟที่วิ่งมาข้างหลังทั้งที่เสียงก็ดังสนั่นจนรางสะเทือนทําให้มีคำถามต่อมาค่ะว่าคนคนนั้นคิดฆ่าตัวตายหรือไม่ แต่ก็ไม่มีสาเหตุใดๆที่จะทำให้เชื่อนะคะว่าผู้ตายมีเจตนาจะจบชีวิตตัวเองสยองป่านนั้นหลายคนฟันธงไปเลยค่ะว่าเพราะผีมันจะเอาไปอยู่ด้วยผีที่ว่าก็คือพวกที่โดนรถไฟทับตายมาก่อนหน้านั้นหรือที่เรียกกันว่าตัวตายตัวแทนนั่นเองค่ะชาวบ้านที่มีบ้านเรือนพักอาศัยอยู่ใกล้กับทางรถไฟหรือจะต้องเดินทางสัญจรไปมาผ่านจุดตัดระหว่างถนนกับรางรถไฟ ซึ่งเรียกกันว่าจุดตัดข้ามทางรถไฟจึงมักมีความเชื่อค่ะว่าหากจุดตัดข้ามทางรถไฟใดเคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นครั้งหนึ่งก็มักจะมีครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็ครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอน สถานที่ดังกล่าวจึงกลายเป็นทางรถไฟอาถรรพ์คือจะต้องมีคนโดนรถไฟชนตายปีละสองถึงสามคนตลอดมาโดยคนที่ต้องเอาชีวิตไปทิ้งทับถมบนรางรถไฟนั้นก็มีทั้งตายเพราะอุบัติเหตุและเจตนาฆ่าตัวตายค่ะ สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณเฮี้ยนของผู้ที่ถูกรถไฟชนตายจนกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่จะกล่าวถึงนี้เกิดขึ้นที่บริเวณอันเป็นจุดตัดข้ามทางรถไฟที่ไม่มีที่กั้นแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม ที่ผู้คนร่ำลือถึงความเฮี้ยนของวิญญาณผู้ที่ถูกม้าเหล็กบดขยี้จนกลายเป็นผีเฝ้ารางจ้องเอาชีวิตผู้คนไปเพื่อเป็นตัวตายตัวแทนความเฮี้ยนของวิญญาณเหล่านี้นะคะ เป็นที่หวาดหวันของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับรางรถไฟจนถึงขั้นต้องประกอบพิธีจัดทําบุญใหญ่ให้หลังจากมีผู้ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนเสียชีวิตจํานวนหลายรายจนชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงค่ะต่างหวาดผวาถึงวิญญาณเฮียนโดยทุกคนต่างยืนยันนะคะว่าตกดึกจะมีเสียงร้องโหยหวนขอความช่วยเหลือถึงขั้นต้องนิมนต์พระมาประกอบพิธีส่งวิญญาณให้แก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ไปสู่สุขติ ไม่มารบกวนผู้คนอีกต่อไปทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคมในปี2555ได้เกิดอุบัติเหตุสยองเก่งป้ายแดงข้ามทางรถไฟถูกชนดับถึง4ศพด้วยกันค่ะรายงานข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์แจ้งนะคะว่าเมื่อเวลา 19.40 น, นของวันที่19สิงหาคม2555พลตรวจโทพินโยมุกศิกสาร สารวัตรเวรสอพออนครชัยศรีนะคะจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งนะคะว่ามีอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์เป็นรถเก๋งอ่ะนะคะมีผู้เสียชีวิตหลายร า, า, ายเกิดเหตุที่หมู่4ตาบลนิ้วรายอำเภ อ, อนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะหลังตรวจสอบนะคะก็พบว่าที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากสถานีรถไฟนิ้วรายเพียง1นกิโลเมตร เป็นถนนข้ามทางรถไฟที่ไม่มีที่กัน้นที่บริเวณร่องกลางระหว่างทางรถไฟขาขึ้นกรุงเทพและขาลงที่ภาคใต้นะคะพบรถเก๋งฟอร์ดสีขาวป้ายแดงทะเบียนกอไก่ศูนจังหวัดสมุทรสาครค่ะโดยสภาพของตัวรถนั้นคือพังเสียหายทั้งคันและมีรอยเลือดอยู่จานวนมากภายในรถที่เบาะ คนขับก็พบศพนะคะซึ่งชื่อต่อมาคือนางสาวอารัญญาอุดมสุขอายุ32ปีเป็นพนักงานศูนย์จำหน่ายรถยนตน์นิสสันสาขาอ้อมใหญ่สภาพศพคอหักศีรษะแตกใบหน้าเละแขนหักนะคะที่เบาะด้านหลังก็พบศพนางจันจิราแป้นนครค่ะอายุ37ปีเป็นพนักงานบริษัทเจียมพัฒนานิตติ้ง เขตสามพรานในสภาพคอหักตามร่างกายก็มีบาดแผลเหมือนกันนะคะห่างจากที่เกิดเหตุ15เมตรค่ะบริเวณข้างทางรถไฟพบศพนางสมทรงอุดมสุขอายุ60ปีซึ่งเป็นมารดาของนางจันจิราและนางสาวอารัญญาสภาพศพค่ะใบหน้าหายไปครึ่งหนึ่งแขนขาหักซี่โครงหักโดยทั้งหมดอาศัยอยู่ที่หมู่หนึ่งตบลบางกระเบาอาเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม ขณะเดียวกันก็ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครชัยศรีว่ามีเด็กชายอายุหกขวบนะคะบุตรชายของนางจันจิราที่ประสบอุบัติเหตุรถไฟชนด้วยและมีพลเมืองดีนำมาส่งโรงพยาบาลแต่ว่าได้เสียชีวิตลงแล้วเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลค่ะพบว่ามีสภาพบาดแผลเต็มลาตัวและก็ศีรษะแตกสาหรับรถไฟขบวนที่เกิดเหตุนั้น เป็นขบวน910สายกรุงเทพน้ำตกกาญจน บ, บรุรีวิ่งมาจากกาญจน บ, บรุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพหลังเกิดเหตุก็ไปจอดรอที่สถานีรถไฟมหาสวัสดิ์สภาพรถไฟก็เสียหายเช่นกันนะคะนายสงครามแป้นนครอายุ37ปีซึ่งเป็นบิดาของเด็กและก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาที่เกิดเหตุพร้อมเปิดเผยค่ะว่า ก่อนเกิดเหตุนางจันจีราโทรศัพท์มาบอกว่าจะไปเยี่ยมญาติที่เพิ่งคลอดลูกที่ตำบลงิ้วรายอำเภอนครชยัยศรีโดยชวนแม่และน้องสาวพร้อมกับลูกชายคนเล็กไปด้วยส่วนลูกชายคนโตไม่ยอมไปขอรออยู่ที่บ้านจนมาทราบข่าวอีกครั้งนะคะว่าประสบอุบัติเหตุถูกรถไฟชนเสียชีวิตทั้งหมดก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังที่บริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟดังกล่าว เคยเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตหลายรายแล้วนะคะและทุกครั้งหลังเกิดอุบัติเหตุก็มักจะมีชาวบ้านถูกวิญญาณหลอกล้อนจนหวาดภาวาไปตามๆกันชาวบ้านพากันเล่านะคะว่ามีคนขับรถแท็กซี่รายหนึ่งค่ะขับผ่านมายังทางข้ามทางรถไฟแล้วมีผู้โดยสารเรียกให้หยุดรถเพื่อขอให้ไปส่งที่โรงพยาบาลนครชยัยศรี รถแท็กซี่คันดังกล่าวก็จอดรับแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปโรงพยาบาลเมื่อไปถึงที่หมายแล้วจึงจอดรถแต่พอหันหลังมาเพื่อเก็บค่าโดยสารปรากฏว่าไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถแล้วนะคะบางคนก็เล่านะคะว่ารถสองแถวรับจ้างถูกเด็กนักเรียนโบกเรียกให้ไปส่งที่โรงเรียนบ้างเรื่องดังกล่าวเป็นที่หวาดผวาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก สมัยผมเด็กๆ เ, เกิดเหตุรถไฟทับคนตายหรือใครจะเรียกว่าชนคนตายก็ได้แต่ที่แน่ๆคือมีลุงที่เมาแกเดินกอดขวดเหล้าเป๋ไปเปมาจนโดนรถไฟชนกระเด็นไปเป็นสิบๆวาเนื้อตัวกลายเป็นซากเละเทะแดงเถือกด้วยเลือดสดๆคนดูถึงกับลมใสไปตามๆกัน อีกรายเป็นคนจรนจัดมานอนบนรางรถไฟใกล้ๆหมู่บ้านรายนี้แขนขาขาดกระเด็นเป็นคนละทิศละทางไม่ช้าก็มีผู้หญิงแม่ลูกอ่อนทะเลาะกับสามีอุ้มลูกเดินร้องไห้เข้าไปหารถไฟที่พุ่งมาจากกรุงเทพอะไรจะไปเหลือล่ะครับที่เล่ามานั่นเฉพาะที่ผมรู้เห็นเท่านั้นครับแถมผีดุมากอีกตัางหากตอนกลางคืนมีคนเห็นร่างเละเทะเดินกอดขวดเหล้าไปตามทางรถไฟ ส่วนรายคนจนจัดที่แขนขาดก็คลานย่งโยงให้คนเห็นหลายรายยิ่งแม่ลูกอ่อนนั่นเธอเดินอุ้มลูกร้องไห้หน้าสงสารแน่นอนว่าคนดวงสวยที่มองเห็นข้าย่อมจะไม่เกิดความรู้สึกเวทนาใดๆแต่สติแตกร้องจ้าเป็นเจ็กตื่นไฟวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงล้มลุกคลุกคลานทุกคนไปแยกทางข้ามรถไฟตรงนี้แม้จะไม่ค่อยมีขบวนรถไฟผ่านมากนะักแต่ก็เกิดอุบัติเหตุรถไฟชนคนตายมาหลายศพแล้ว เด็กหนุ่มวัยรุ่นที่อาศัยอยู่ใกล้จุดตัดทางข้ามรถไฟมรณะกล่าวนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังยังมีคุณลุงท่านหนึ่งบอกว่าผู้คนแถวนั้นที่ขับรถไปมาตอนกลางคืนก็เคยเล่ากันว่าผีที่จุดตัดทางข้ามรถไฟตรงนี้ดุร้ายจนต้องเรียกว่าเฮี้ยนจัดอย่าบอกรายเชียวขนาดขับรถแล่นผ่านมาเร็ ว, รวยังมองเห็นอามนุษย์เดินอยู่รางรถไฟเต็มไปหมดมีทั้งแขนขาขาดหัวขาด ตับไตไส้พุงห้อยร่องแรงบ้านก็แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกชาวบ้านจนหวาดผวากันไปทั่วที่สุดต่างก็อดรนทนไม่ไหวต้องพากันไปนิมนต์พระสงฆ์องค์ขเจ้ามาจัดงานทําบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถไฟชนรถยนต์โดยมีชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตมาร่วมงานจานวนมาก สำหรับพิธีกรรมในครั้งนั้นชาวบ้านงิ้วรายค่ะก็ได้นิมนต์พระสงฆ์9้ารูปมาสวดพระพุทธมนต์และร่วมกันถวายพัตหารเพลนและได้นิมนต์พระครู ยติธรรมานุยุทธหรือหลวงพ่อแปะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีมาประกอบพิธีเชิญวิ ญ, ญญาณผู้เสียชีวิตและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โดยหลวงพ่อแปะก็ได้ทำหุ่นกี้ผึ้งเป็นผู้ชายสูงอายุเพื่อเป็นตัวแทนผู้เสียชีวิตเพื่อทำพิธีค่ะและก็จะนำไปไว้ที่วัดสว่างอารมณ์ต่อไป อีกทั้งชาวบ้านยังได้นิมนต์หลวงพ่อแปะให้นำผ้ายันมหัศจรรย์ของหลวงพ่อแปะมาติดที่เสาบอกให้หยุดระวังรถไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนจะได้มีความปลอดภัยค่ะที่ผ่านมาจุดตัดตรงนี้เกิดอุบัติเหตุมาแล้ว10ครั้งและมีผู้เสียชีวิตกว่า10รายทั้งบาดเจ็บสาหัสและเล็กน้อยและรถไฟก็เคยชนแล้วตกรางถึงสองครั้งเพราะไม่มีที่กั้นทางข้ามรถไฟ โดยทราบว่าทางท้องถิ่นได้ทำเรื่องมาที่การรถไฟเพื่อขอที่กั้นแล้วนะคะและทางอบตนิ้วรายซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ก็ได้ทำหนังสือของบไปที่สำนักงานการเงินแผ่นดินแต่เรื่องก็เงียบค่ะ การทำบุญครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีอุบัติเหตุรถไฟเป็นขบวน910ขบวนนำเที่ยวสายกรุงเทพน้ำตกไซโยกชนกับรถเกง๋งจนทำให้มีผู้ที่อยู่ในรถเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมด4รายจากนั้นก็ได้มีข่าวลือหลังเกิดเหตุค่ะว่ามีผู้พบเห็นคนตายมายืนโบกรถหลายครั้งคาดว่าน่าจะเป็นศพที่เพิ่งเสียชีวิตไปก็เลยทำให้ชาวบ้านที่ได้ยินข่าวต่างหวาดผวาและกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีกนะคะ ด้วยเหตุนี้จึงร่วมกันจัดงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลส่งวิญญาณเพื่อเป็นการแก้กเคล็ดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุอีกต่อไปนั่นเองค่ะ